6. สุราปานวัคสองอังคุริปโตทกักษะสิกขาบทว่าด้วยการใช้นิ้วมือจี้กันและกันเรื่องพระชับขี 330. สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่นาพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกพิสุชธพฉขีใช้นิ้วมือจี้พิสุรูปหนึ่งในกลุ่มภิษุสัตตะรสาวคีให้หัวเราะ ภิกษุนั้นหัวเราะจนเหนื่อยหายใจไม่ทันถึงแก่มรณะภาพบรรดาภิกษุผู้มากน้อยพากันตำหนิประนามพลท น, นาว่าฉะ น, นพวกภิกษุชาบัคีจึงใช้นิ้วมือจี้ภิกษุให้หัวเราะเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิพวกภิกษุชาบัคคีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกลาบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ